ฟ <c oughs> ังธรรมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามให้เป็นส่วนประกอบกับการกระทาของเรา โดยเพราะวิชากรรมฐานไม่ใช่วิชาใช่สมองความคิดเ ป, เป็นการกระทาให้หรรลสมกับชื่อว่ากรรมฐานอือตั้งของการกระทามีอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะทำแล้วมีที่ตั้งไว้แล้ว เอากายเป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกตัวเป็นที่วางไว้ที่ตั้งนัน่นของที่วางไม่มีที่ตั้งไว้เราเกิดมาไม่เคยตั้งไว้ไม่ให้ความรู้สึกตัวตั้งไว้ที่กายมีแต่กายพาไปม่แต่ใจพาไป ไปกับความคิดไปกับตากับหูจวบเล่นกายใจหลยอยู่ตลอดเวลาวันนี้มาตั้งไว้ลองดูสติเหมือนไหลเท่าของช้างสิ่งจะเกิดขึ้นกับกายกับใจเหมือนลอยเท่าของสัตว์อื่นๆ ลอยเท่าของสัตว์อื่นบาร์รวมลงที่รอยเท่าของช้างคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเหมือนรอยเท่าช้างมันใหญ่กว่าสามารถรวมรอยเท่าของสัตว์อื่นได้ทั้งหมดเดินความหลงเหมือนรอยเท่าสัตว์อื่น มารวมลงที่รอยเท่าช่างกลายเป็นเล่ารอยเท่าช่างไปแล้วความโกรธความโลภความโกรธความเล่าความจงความคิดผุ่งสาตรความผิดความถูกเยอะแยะเหมือนรอยเท่าของสัตว์อื่นๆมารวมลงที่ความรู้สึกตัวคือรอยเท่าของช้างกลายเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดคืนลงไปทั้งหมดรอยเท่าสัตว์อื่น ไม่เห็นเลยเห็นแต่ลอยเท่าช่างที่มันคกนโอเหมือนเราฟังพระโ อ, อาวาของพระเจ้าอภิมาเทธรรมต่าทั้งหลายตง้งอย่างพวกไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดา มันเสื่อมไปเรื่อยมันไหลไปเรื่อยร่ายสังขารจิตสังขารจึงกมไม่ปำมหมาดด้ลวเรียกว่าสติสมบัตชั ญ, ญาหัดมาตั้งใบหัดมารวมลงไว้จะให้เป็นร้อยเท่าของสัตว์อื่นอยู่มกักจะชุยกระจายลย ล, ลอยเกียดชังรอยสุขรอยทุกข์รอยท้าได้ลอยเสียรอยผิดรอยถูกอะไรเยะๆมัน ก, กระจุยกระจายจังมี้อยอยู่เกื่อนกาดในชีวิตของเรานี่ปูนไปไปหมดเลย ไม่เป็นระเบียบ<ม>จะมหัสวิชากรรมฐานนี่หัดมาวางลงที่รอยเท่าช่างให้เป็นระเบียบดูสิมัน<ม>จะเป็นอย่างไรกรรมฐานาก็เป็นวิชาที่ขยันจะได้จับมาวางจะได้จับมาวางเวลาเราไปกรรมฐานจะได้เห็น อันอื่นเกิดขึ้นมากมายเพราะมันมีในสังขารกายสังขารจิตตสังขารของเราเต็มไปหมดจะได้เห็นจะได้จับมาลงใส่ใจดีๆทำในใจดีๆชัดเจนแม่นยำดีๆอย่าให้เป็นอื่นไป ใส่ใจที่ให้เป็นความรู้สึกตัวไปซะเมื่อรอยเท่าของสัตว์อื่นมาเป็นรอยเท่าของช่างรอยเท่าของสัตว์เดินก็หายไปเลยศูนย์ไปเลยหลงเป็นรูปกองหลงศูนย์ไปแล้วลอยเป็นรูปแล้วสูขเป็นรูปทุกเป็นรูปมันเป็นมันมไม่มีแล้วมันเป็นรอยเท่าช่างไปแล้ว มันได้บ้าจะถานกันลงตัวถ้าเราทำเริงๆจะไม่นานนะคืนเอาทั้งหมดเลยบางทีมันดูดล่ดยช่องไปความรู้สึกตัวดูดเอาอันอื่นมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเวลาเราปฏิบัติยิ่งปฏิบัติทำมีอารมณ์ได้อารมณ์ ได้หลักได้ฐานเห็นรูปเห็นนามตามความแท้ความจริงรูปมันบอกนามมันบอกจริงกับมันแท้ไหนเพียงไรที่มันเกิดกับรูปความนามจริงที่มันเกิดกับรูปความนามมันมีสมมตุติมีบัญญัติมีวัตถุมีอาการมากมายมันจะได้ ดูดเข้ามาสราสรภาพนะั้นสลภาพนะไม่เชอดื้อด้านนะคล้องหลงมันก็ไม่ดื้อด้านดอกอายสติความทุกข์มันก็ไม่ดื้อด้านมันอายสติมันสลภาพว่ามันไม่จริงเหมือนพิาพากษาตุลาการ ความรู้จึกตัวเป็นพิภากษาตัวเองให้เกิดความเป็นธรรมก้องหลงไม่มีความเป็นธรรมความรู้จักตัวนี้มีความเป็นธรรมความทุกข์ไม่มีความเป็นธรรมความรู้จึกตัวนี้มีความเป็นธรรมมันจึงปฏิเสธไม่ได้มันพิภากษาสรภาพจํานวนต่อความเท็จความจริง เดี๋ยวนี้เรามีโจรเราไปจําเลยของโจรหลงที่ใดหลงที่นั่นว่าเราไปจําเลยของความหลงทุกที่ใดทุกที่นั่นเราไปจําเลยของความทุกโกรธที่ใดเป็นโกรธที่นั่นเราไปจําเลยของความโกรธความาใช่เราเป็นขี้ข้าของความคิดก็มีมันจะคิดอลไรก็คิดไปจนนอนไม่หลับเราเป็นทาตเป็นขี้ข้าของ อารมณ์ต่างๆไม่เป็นธรรมเลยจึงมาพิพากษามันไม่จริงเมื่อเราเห็นได้หลักได้ฐานเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปเห็นนามแล้วมันจะมันจะกระทบไปเทือนไปหมดเลยเหมือน ข้าศึกนาที่ใดก็ตายที่นั่นกงผลกำลังพลเก่งกว่าเหนือกว่าสติไปในกายเป็นชัยภูมิที่ดีเหมือนนักลบอะไรที่เกิดขึ้นมามันข้าศึกมาลู่จ้ก็จะเปรียบกย เ, เหมือนกัะลอยเท่าชามันเหมือนกำลังพล ก็เสกเหมือนกันลอยเท่าของาัิอื่นอาการต่างๆเกิดกับรูปกับดาวรวมลงที่ลอยเท่าของฌางวดไปเลยจึงด้วยว่าอปปบาลเธรรมสุดยอดในพระธรรมองสอนถ้ารูปดองนี้มันก็รูปไปอีกมากมายแทกฉานเหมือนกัน เรื่อกุศล อ, อ ก, กุศลความรู้นี่ความรู้สึกตัวนี่เป็นกุศลความหลงเป็น อ, อ ก, กุศลสิ่งที่เป็น อ, อ ก, กุศลมันก็มันก็เสื่อมไปมันก็มีแพร่หรือว่าทำย่อมชนะอาธรรมอยู่เสมอทําย่อมชนะอาธรรมอยู่เสมอถ้าเราได้ศึกษาได้เห็นแล้ว มันไม่จริงหนูความหลงก็ไม่จริงความทุกข์ก็ไม่จริงความโกรธก็ไม่จริงการปรุงแต่งก็ไม่จริงความรู้สึกตัวงดงามมันสง่ามันมีอำนาจเป็นยิ่งใหญ่เป็นใหญ่มีความเป็นใหญ่เมื่อมีความเป็นใหญ่ก็มีอานาจเมื่อมีอานาจก็มีความเป็นธรรมก็อยู่ได้ตกในความเป็นธรรมความเป็นธรรมคือปกติ ปกติก็คือศีลว่ามาทำก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติสู่ธรรมชาติธรรมชาติก็ยิ่งใหญ่ไปเลยธรรมะคือธรรมชาติที่มีในกายในใจในรูปในนามนี้ตามความเท็จความจริงแค่ไหนเพียงไรวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่แตกฉานให้ชีวิตจบได้ความหลงจบลงได้ ความทุกข์จบลงได้ความโกรธจบลงได้แต่ ว, ว่าจบมันก็ไม่มีอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายไม่ใช่จะหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายก็มไม่หลงความไม่โกรธควมไม่ทุกข์มันก็มีเวลามันมีลําก็ได้ชช้เมื่อเราไม่ชอบชอบภายนอก ถามีก็ได้ใช้ใช่แก่นี่ใช่นี่ได้ตามกฎหมายชอบไปใด้หนยิ่งประเสริฐใช่ถึงกั น, นเหนือเจรเหนือจ็บเหนือตายเพราไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่มีธรรมชาต ตามรูปนามขันหน้าตามความเป็นจริงแต่นี่ละขันหน้าแต่มันเกิดอุปท า, านมันเพี้ยนไปว่าวโดยย่ออุปท า, านขัน ง, งานหละเป็นตัวการเป็นตัวทุกต้องมาเห็น ต้นเข้าของมันถ้าขันธรรมชาติตามคนเป็นจริงมันไม่มีอะไรมันเพื่อให้เราใช้มันไม่ใช่มันใช้เราลูกมัาคงเป็นลูกมีอยู่จริงลูกมหาปูเถรูปลูกที่อาศัย มือห้านิ้วเฉบนิ้วให้ทําความดีให้ละความชั่วให้เกิดผลเกิดกุศลจะได้ช่วยกันอุปทานจะรูปเกิดต่อจากรูปนี้ไปเอาความร้อนเป็นตัวเป็นตน้นเราร้อนเราหิวเอาความหิวมาเป็นตัวเป็นตน้นอุปทานจะรูปเกิดกันแล้วมันมีรส ลดของความสุขลดของความทุกข์ลถของพอใจไม่พอใจเป็นรูปพิณิตต์ที่เกิดอยู่บนรูปนามพระอุปทานประยืดเดาความสุขก็เป็นรูปความทุกข์ก็เป็นรูปเจ็บปวดเหมืนกันแม้แต่เสียงมากระทบก็เป็นรูปเก็บปวดรูปวางเบากระทบเป็นรูปเก็บปวด เป็นสุเป็นทุกข์เพราะเสียงเป็นสุกเป็นทุกข์เพราะรูปเป็นสุเป็นทุกข์เพราะกลิ่นเป็นสุกเป็นทุกข์เพราะรสไดมันไปอุปทา น, ปนไปว่าใช่รูปธรรมดาแต่เราไมา่รู้จากมันก็ไปกายมารวมสรุปลงไปก่อนเมื่อมาได้หลักส่วนล้วก็แตะฉานมันเราได้คณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์เรียนภาษาไทยถ้าได้ตัวอักษรตัวสละเข้าไปก็ประสมก่อนอ่านได้แตกแขนในภาษาแตกแขนในคณิตศาสตร์ได้แตกแขนในอัตกรรมวัตถุอัตกรรมนวกรรมได้จริงที่มัน มีไปข้างหน้ามันบอกผิดมันบอกถูกมันบอกไปทางไหนมันบอกเราจะมีการศึกษาเรื่องนี้เป็นสูตรชีวิตให้มันจบสะให้จบสูตรอื่นวิชาอื่นก็ยังมาพ้นจากรูปจากนามในไปหรอก ระบำงนมันมาเป็นจูดนั่นที่มันคกนไปที่ว่าเรียกว่าอาสาทมนอาสาตมนเหมือนกับเรื่องชาดกเราว่าไปอุุษมานุปไปดาบรรดาจงไปเรียน ศาสตร์มาของบ้านของเรือนก็บโบรานไปเล่าเรียนงานนก็ไปเรียนตามอาจารย์ต่างๆจบมามาบอก่อแม่ว่าจบมาแล้ว่อแม่ก็ทำว่าจบอะไรบ้างก็จบมาหลายศาสตร์าสาขา ขี่มายิงธนูควันดาบพัฒนาศาสตร์เกษตรศาสต ร, ร์แต่พ่อแม่ว่ายังไม่จบสูตรหนึ่งเยกไม่ได้เรียนเลยเรียกว่าอาศาสตรมนต์ต้องไปถามอาจารย์ใหม่ยังวิชาหนึ่งไม่ได้เรียนให้ยังอาศาสตรมนต์ไปบอกอาจารย์อาจารย์จะสอน กลับไปบ้านอาจารย์ก็สอนเนี่ยสอนกับบาสถานเนี่ยตอนให้ดูกายดูใจเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็จบตั้งสิเจ็ดศาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลยอาศาสตร์มอดน่คือศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรในกายดูใจนี่มันเกิดที่นี่ แม่เราไม่เพงรู้อะไรมากมายจิตเจ็ดศาสตร์ยังมีกิเลสตัณหาอยู่มความโกรธโลกหลงอาศาสตร์นุณณ์เนยมาจะกมื่รู้เรื่องนี้ใหว้วิชาปัญหาวิลายใดสอนให้เป็นมิตรสอนให้รู้วันหลงรู้ให้เป็นไหมเลวลามันหลงรู้ไหมทำเป็นไหมเลวลามันโกรธ รู้เึกตัวทําเป็นไหมเวลาบรรทุกรู้เึกตัวทําเป็นไหมเวลามันเก็บบรรพุทรู้เึกตัวทําเป็นไหมอะไรที่มันเกิดกับปากกับใจที่มันเป็นหลายๆอย่าง8ปดหมสพันเรื่องสิเลสคนห้าตัหายรอยแปดรู้เึกตัวเป็นไหมทําเป็นไหมไม่มีใครสอนมีแต่ตัวเองนี่สอนตัวเองคนอื่นสอนให้ไปได้ เวลาที่เอามือมาวางไว้บนเข่ารู้จึกตัวไหมใครเป็นผู้รู้ต้องถามใครไหมความรู้จักตัวว่ามืออยู่บนเข่านี่ยกมือขึ้นรู้จึกตัวไหมถามคนอื่นไหมไม่ต้องมีคำถามปรมัชญาศั จ, จธรรมไม่แต่ตอบเองคนอื่นตอบให้มได้ นี่อาสามุดเรียนไปแบบนี้นี่แต่ตัวเราเองสอนตัวเรารู้เองพระรรมป่าผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วทิจิกูอันผู้ศึกษาเป็นปฏิบัติด้วยตนเองด้วยตนเอง ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการยกมเคร่งกรลู ก, ก, ลกได้ลู้ทันทีควรเรียกให้เกินอื่นมาดูมาดูซิเนี่ยมาดูตัวเองดูซิคนเรียกมาดูวนโน้มมาเสียตัว มันหลงน้อมความรู้มาใส่ตัวขวาน้อมมาใส่ตัวไวเอาที่ผิดเมื่อเมื่อน้อมความรู้มาใส่ตัวความผิดก็ไม่ผิดที่ตั้งผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามทุกควรมเจรผู้ปฏิบัติตามทุงควรแเจรผู้ปฏิบัติไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งจะได้เท่ากัน วันหนึ่งจะมีความรู้เท่ากันแล้วแต่ผู้ปฏิบัติใส่ใจแค่ไหนเพียงายอยู่ที่การกระทาของเราสิบสจังหวะรู้ทุกจังหวะไหมวินาทีหนึ่งจังหวะหนึ่งวินาทีละรู้เพียงพอวิชากรรมฐาน ทีเดีทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งตามของวิชากรรมฐานสามปัญญาบับพพะเอาง่าทีเลยอย่างขอชั่วโมงหนึ่งสามหกหกร้อยลูกสองชั่วโมงเกจหมื่นเออเกจพันถ้าไหร่ไม่ชีบี <laughs> ขบนิสานอะ่า วันหนึ่งจะมีกี่ลูกมหาลูกเป็นมหาสติมันก็มากมหามันมากเพื่อความรู้มันมากต้องกันทราบความหลงก็น้อยเหมือนแสงหนีอ่อนหลอดหนีอ่อนน้อยกกำจัดความมืดได้แค่บริเวณสาลาหัวใจ แ, แสงพระอาทิตย์แสงพะจัน จะวางอะไรหมดทั้งโลกความรู้สึกตัวเหมือนเช่นนั้นมันจะมีจุดไหนที่มืดที่บอดที่หลงไม่มีรูรูไปหมดอะไรก็รูไปหมดเลยรูแล้วรูแล้วอญยาอญยาสิรูแล้วรูแล้วก็จะ ไม่อันเก่าหลงก็รู้แล้วโอดก็รู้แล้วทุกก็รู้แล้วสุขก็รู้แล้วผิดก็รู้แล้วถูกก็รู้แล้วสงบก็รู้แล้วพุ่งช่านก็รู้แล้วหมกุ้คุนคิดก็รู้แล้วเราที่เกิดกับกายกับใจรู้แล้วนี่ว่ารู้แล้วถึงที่รู้มก็ต้อง ก็ต้องไม่หลงจริงใดที่ไม่หลงก็ไม่ไปก็หยุดจบลงจบไม่มีอันใหม่ไม่มีเรื่องใหม่ที่เกิดกับกายกับใจเป็นเรื่องเก่าๆควมรู้จักตัวเนี่ยถ้าศึกษาดีๆมันเป็นศาสตร์เป็นศีลเป็นศีลมันเป็นวิในทำเปราะวิใน เหมือนพระพุทธเจ้าให้อุปสมบทคุหลาปุดเอฮีพิคุอุปสมปทาแต่มายตอนต้นว่า <c oughs> อย่างไรใครก็รู้จัก ท่านจงเป็นพิษสูมาเถิดทำไม้ใหนเราตัดไปดีแล้วท่านจงประพฤติตามทำไว้ไหนให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดท่านจงปฏิบัติตามทำไว้ไหนนั่นเถิดตามแต่ผู้ที่ปฏิบัติถ้าเป็นพลังงานก่อนแล้วเช่น อัญยาก็ตัด จ, จะบพปะพัทธิมหานามะเป็นพระทหารก่อนจะบวชท่านพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าจงประพฤติตามทำไว้ไหนนั้นเถิดถ้าพลอ ย, ยังไม่ได้เป็นพระทหารก็บอกว่าตัดว่าจงประพฤติตามทำไว้ไหนนั้นให้เป็นที่ชิ้นทุกเถิดนั้นเป็นธรรมเปนไนวิในชีวิตของเราเลยวิในคือวิคือวิเศษในเยอะนําไป น้อมไปสู่ความพิเศษความหลงไม่วิเศษความไม่หลงพิเศษเป็นธรรมที่สุดความทุกข์ไม่พิเศษความพ้นทุกข์พิเศษนี่คือวิไนน์น้อไปถ้าหลงเป็นหลงไม่ปฏิบัติตามทรรมว้ไหน์ถทุกข์เป็นทุกข์ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามทรรมวไ้ไน ถาปฏิบัติตามไปไมเปลี่ยนเป็นรูเหมือนลอยเท่าเช้านั่นแ่ะคือทำไปไม่ได้ตัวใครตัวมันหลงคนละวาละหลงคนละอย่างสิงที่ท่านหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่ที่ท่านทุกคนอื่นเขาไม่ทุกยามเมามันมี ฐานะทางจิตวิญญาณทางกันคนเรามีอยู่จริงปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติมันเป็นธรรมจริงๆปฏิบัติอย่างประเสริฐก็ได้ผลอย่างประเสริฐปฏิบัติอย่างเร็วก็ได้ผลอย่างเร็วคือมีรอยเท่าช่างรวมลงที่รอยเท่าช่างเอามารวมลงที่นี่ไปก่อนจะเป็นยังไงกไ็อย่าไปหาลายละเอียดจากมัน หลงเป็นรูปไปก่อนผิดเป็นรูปสูกเป็นรูปไปก่อนวิธีรูกก็ง่ายๆอย่าเพิ่งหาคำตอบจากความคิดเหตุผลมันจะนิ่นช้าทำสบายๆความรู้สตัวสบายๆอย่าไปเอาผิดเอาไปถูกอย่าไปเอาอยากรูก้อยากเห็นอยากเป็นเช่นนั่นเช่นนี้ยิ่งเวลาคนพูดอยากเป็นเหมือนท่านก็คิดเอาว่านั่นแหะมันจะเพี้ยนไปนะ งเฉยๆยิ้มทำใจสบายสบายทำไรถ้าทำใจสบายสบายตั้งใจว่าให้ชอบเราจะมีสติอะไรที่ไม่ใช่สติก็เกิดขึ้นก็อย่าไปเอาผิดเอาถูกจะไปเอายากเอาง่ายเอาได้เอาเสียเอารู้จากตัวมันจะยนย่อนมันจะพอดีเบิกบานเบิกบานเป็นพุทธ อะไรก็รู้จากตัวในเป็นพุทธเป็นหนโ่อโพธิอั น, บบ น, ททนเบิกบานพุทโธผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานสัมผัสดูไม่แยบคลายความหลงความรู้ความโกรธความรู้ความผิดความรู้รู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยอะไรมาก็เป็นรู้ไ ป, ร, ปรู้ไปเรื่อยมันก็มันก็ชานานชานานทาง ทำใหม่ก็จะอาจจ ะ, จะายากน้อยหลงมากกว่ารู้ทำไปทำไปก็รู้มากกว่าหลงแล้วก็เป็นไปเองทำอไรก็มีความจานานไปเองก็ตแต่ให้ปฏิบัติให้กับบาลูสึกตัวรู้จึกตัวซะถ้าจะเขียนเป็นวงกลมเลขศูนย์เหมือนกระตาช่างซะ วงก็เบือตาอช่าต่เข็มมันมันมันหมุนไปสองทางนะคิดของเราเ น, นี่ยเหมือนบวกเมอนลบถ้าบวกก็ดีใจหมุนไปถ้าถึงร0 0ยเปเ็นป็นถชนถ้า 75% 50% ห้าบเซ 2ีเป็นพระอิมคนชั้นใดชั้นหนึ่งถ้าหมุนไปทางซ้ายคือลบเสียจาอย 100% รเป็นปุถุชนก็ห้5เจ็ส้าห้าบยเป็นพระอิมคนชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ต้องกลับมาเลขศูนย์จึงจะเป็นมาตรฐานของตาช่าง ยืดเดี่มันก็ตั้งไว้ที่ศูนย์มันไม่มีอะไรถ้าหลงเป็นหลงอย่าบางข้างมันข้างอยู่มันข้างอยู่ไม่มาตรฐานถ้าสุขเป็นสุข ก, ก็ข้างอยู่ทุกข์เป็นทุกข์ข้างอยู่มันต้องกลับมาที่ศูนย์คือรู้จักตัวรู้จักตัวก็หมดแล้วหมดข่าแล้วความสุขความทุกข์หวนพระพุทธเจ้าว่า ผมรู้สึกตัวเป็นเจ้าเรือนเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นเจ้าของกายเจ้าของใจอาการตุกะอารมณ์ที่มันจรบ่าทางกายทางใจเหมือนอาการตุกะเจ้าถิ่นต้องมีลักษณะปฏิบัติต่ตอกันตุกตาหนึ่งไม่ต้อนรับสอง ไม่มีที่ไอหาใสสามอะไรใจฉินบอกเคินเนี่ยสี่ไม่ให้ค่าเดี๋ยวนี้เราให้ค่าความหลงก็ให้ค่ากูหลงกูชอบกูไม่ชอบเวลาการตุกกามมา มาครอบหามเจ้าถิน่นเหมือนพระพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนนี้จิตประพัดสอนผ่องใสอยู่เสริมจิตเดิมเดิมประพัดสอนผ่องใสอยู่เสมอแต่อุปาจิเลตมันจรมาทําให้จิตใจเศร้าหมองเหมือนอาการตกกะมันจรมาทําให้จิตใจเศร้าหมองเพราะอากันตุ ก, กะ ประพัท จ, จะอ้วตังพิเกเวกิตังตัดจากโข อ, อาการตุเกหิอุปจิเลใชอุปจิลิทังพิสูจทั้งหลายเราตัดว่าจิตของคนเรานี้ประพัทสอนผ่องใสยอยู่เสมอแต่อุปจิเลจอนมาทำให้จิตเศร้าหมองฉันนั้นนั่นเราจะมาฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมา มันไปไกลแล้วมันกลายพันไปแล้วจิตเดิมๆ ม, มันกลายเป็นพันอื่นเป็นลาคจริตเป็นโทสะจริตเป็นโมหะจริตไปใช่แล้วอะไรก็หลง อ, อกหน้าไอมีความหลงเป็นโมหะจริตอะไรก็ความรักความชังความโกรธ อ, อกหน้าพอจะยินดีคอยใจยินไลยที้ว่าโมหะจริต เกิดขึ้นมากคอเที่บอใจไม่พอใจเป็นโทชาจริ์แล้วแต่มันใช่อะไรก็กลายพันไปมันเหมือนกับข้าวพันของกษัตริย์เกษตรข้าวเนี่ยข้าวพันธุ์ดีสมัยโบราณหลงตาเป็นชาวนาร้อยเปอร์เซ็ น, น, น, นข้าวขาวกุง้ง ข้าวที่ตมใหญ่ข้าวต้มกลองมันมีพันหลายพันจะเลือกพันใหม่อยู่เรื่อยสามปีสี่ปีห้าปีข้าวขาวกรุงเมันกลายเป็นข้าวกลายพันธุ์เป็นข้าวหมาแย่งข้าวหมาแย่งเขาจักบอกชาวนาข้าวหมาแย่งเนี่ยหมาไม่อยากมันไม่เป็นข้าว เหนียวมันเป็นข้าวเจ้ามันปูนมันกลายพันธ์ไปกลายพันธ์ได้พันธ์ดีๆมันกลายพันธ์ไปได้จึงแขวนาจะคัดพันธุ์ใหม่การวิธีคัดพันธุ์ใหม่ก็ดูออกดูตั้งแต่ต้นมันรวงมันเวลาเราเกี่ยวข้าวรวงไหนที่มันแข็งแรงมันขึ้นสูงกว่าเขาเม็ดโซคู่แข่งแขงแรงกว่า เวลาเรากำข้าวเกี่ยวมาจะพ้นออกไปมันไม่เสมอกันแล้วก็ถอดเอารวงเทวันแช่มแข็งปอกตัวเล็ดมันเ ม, นมนเล็ดถ้ามเล็ดใสๆอย่าเอาเอามาเล็ดขุนๆเหมันอ่อนดีใช่ไหมฮะขึเหลอกขึ้นเหล็ ก, กพันเขา ว, วอะอะวกเราขอเป็นเช่าหน้าอร่อยไปเช น, นะปอกเอาปอกโต๊ะ เม็ดข้างในมาจากคนคนมั่วซั่วอะไรน่นนะออนดีถ้าเม็ดใสๆอย่าเอามันแข็งกินเปลืองมาแช่เข้ามาขึ้นถ้าเม็ดนอนเวลาก็น้าวใส่เลี่ยม า, จานจะทูนขึ้นมาอ่อนแต่ก่อนน่ถ้าคาวปั่น บ, บ่อยๆก็หอมหอมรสก็หวานมันคือหวานนีเข้าวไม่มีรสไม่ชาิเลยเหมือนกินแป้งเฉย ให้เหมือนคนโบรานเดี๋ยวเนี่ยมาขี้เกียจหมาจินความคิดมันหมดแล้วคนเนาะให้ให้เขาคัดพันุมาให้ไม่มีไม่มีวิชารูค้ความรู้แล้วแต่เขาจะคัดพันมาให้ต่อไปเม็ดละบาทนะข้าวเนี่ยเจ้านามไม่มีมันสมองหมาจินหมดแล้วหมาจินความคิดโบราณท่านด่าลูกด่าหลานให้จากขันผักกาดไปเนี่ยข้าวโพด แตงมือนนี่คัดพันไปไันใบเอาพ่โอโกกในหลุมต้นไหนมาขึ้นสูงกว่าเขาจรุด ๆ, ๆขึ้นไปต้นไหนมาต่ำๆถอนทิ้งักไหนที้มันออกก่อนเอาเปลือกมันพันไว้พันไว้อันนี้ห้ามกินเอาไว้ทำพันพ่อแม่ทำอย่างนี้แตงพูกหลุม ตัวเชื้อไหนพันรูดลงไปไกลๆกอดเขาเลยเชื้อไหนที่มันแหน่ร่มพุ่มเลยมันพุ่มถอนที่เอาที่มันรูดลงไปไวที่สุดเลยตามดินไปแวกไปไปเท่เชื้อไหนมันงอยโคกโดอกกระเด็นอย่างนี้เอาถอนทิ้งจ้ะอไรที่มันลิ้งไปอลูกใดที่มันออกจากต้นๆเอาไปไม้มาปกไวพ่อแม่เราแต่งผ่านนะพักการ หว่านลงไปในแปลงต้นไหนมันขึ้นสูงชลูดก่อนเขาอย่าไปเจ็บมันเอาไว้ทางผันต้นไหนที่มันไม่ขึ้นอ่ะเจ็บมากินแม่นบ่ละจบแค่นี้นะ <laughs> ก, ก็ฟัมก่อน